ธรรมะมีอยู่หลายความหมายหลายชั้นหลายระดับธรร ม, มะที่เป็นความหมายของนิพพานหรือในระดับของนิพพานนั้นมันอยู่ที่จิตของท่านทั้งหลายที่กําลังว่างจากความรู้สึกว่าตัวตนหรือของตนอยู่บ้างในบางขณะเพราะฉะนั้นขอให้กาหนดจดจำความรู้สึกอันนี้ที่นี่และเดี๋ยวนี้ไว้ให้ดีๆและให้มันติดไปที่บ้านด้วยบางทีกลับไปที่บ้านแล้วมันจะรู้สึกเหมือนกับ ขึ้นไปบนเรือนของคนอื่นหรือว่าไปทำการทำงานอะไรที่บ้านจะได้มีความรู้สึกว่าเหมือนกับไปช่วยงานของคนอื่นที่บ้านคนอื่นอย่างนียง้ยิ่งขึ้นไปแล้วมันไม่ทุกข์บ้านหรือการงานที่เคยเป็นทุกข์นั้นมันจะไม่ทุกข์แต่จะเป็นอยู่ด้วยจิตว่างจากตัวตนหรือของตนอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าเอานิพพานหรือเอาสุญญตา เป็นพระเครื่องรางแขวนคออยู่เสมอจะคุ้มครองป้องกันความทุกข์หรืออุปัทวะสเสนียจันไรนี้โดยประการทั้งปวงนี่แหละเป็นเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธเจ้าจริงๆนอกนั้นเป็นเรื่องมายาทีนี้พูดอย่างนี้เดี๋ยวจะเป็นการโฆษณาชวนเชื่อท่านทั้งหลายต้องไม่คิดว่าอัตมาเป็นคนเดินตลาดขายสินค้าของพระพุทธเจ้า จะต้องคิดว่าเราเป็นเพื่อนทุก์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันถ้าจะพูดเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องสมมุติชี้ชวนให้เกิดความสนใจนี้ก็เพราะว่ามีความหวังดีต่อกันแต่ถ้าใครมีสติปัญญามากกว่านั้นก็อาจจะเห็นได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเชื่อด้วยอัตมาไม่ต้องเชื่อตามอัตมาก็มีทางที่จะสนใจศึกษาต่อไปได้ ถึงความจริงที่เป็นปรมาจตสัจจานี้ยิ่งขึ้นไปทุกทีถ้าเป็นอย่างที่กล่าวมานี้แล้วก็ต้องขยับการศึกษานี้เลื่อนสูงขึ้นไปถึงเรื่องธาตุคาว่าธาตุนี้ก็มีความหมายเช่นเดียวกับคําว่าธรรมรากของศัพท์ก็เป็นรู้เดียวกันด้วยคําว่าธรรมะนี้มาจากคําว่าธาระแปลว่าทรง คือทรงตัวของมันอยู่ได้เหมือนที่กล่าวอธิบายมาแล้วคำว่าธาตุนี้ก็เหมือนกันนักสัพทศาสตร์ก็ยอมรับว่ามันมาจากคำว่าธราด้วยเหมือนกันก็แปลว่าทรงเพราะฉะนั้นคำว่าธาตุนี้มันก็แปลว่าสิ่งที่ทรงตัวมันเองอยู่เหมือนกันเช่นเดียวกับคำว่าธรรมะที่เปลี่ยนแปลงก็มีการทรงตัวมันอยู่ได้ด้วยการเปลี่ยนแปลง ที่ไม่เปลี่ยนแปลงก็ทรงตัวอยู่ได้โดยการไม่เปลี่ยนแปลงฉะนั้นเราต้องมาเรียนถึงสิ่งที่ไม่อาจเป็นตัวตนได้คือสิ่งที่เรียกว่าธาตุนี้บ้างท่านทั้งหลายรู้จักธาตุชนิดไหนกันบ้างที่จะเอาเป็นตัวความว่างได้คนที่เรียนฟิสิกส์หรือเคมีก็รู้เรื่องธาตุแต่ฝ่ายวัตถุล้วนๆเป็นธาตุแท้กี่สิบอย่างหรือกี่ร้อยอย่าง และก็ยิงพบเรื่อยๆธาตุอย่างนี้เป็นความว่างไปไม่ได้หรือว่าถ้าว่างก็เป็นความหมายอันลึกของสิ่งเหล่านี้เพราะวันนี้เป็นแต่เพียงรูปธาตุทีนี้ยังมีธาตุฝ่ายจิตใจฝ่ายวิญญาณฝ่ายนามธรรมอีกธาตุหนึ่งซึ่งเราไม่อาจจะพิสูจน์ได้ดวยวิชาฟิสิกส์หรือเคมี อย่างนั้นมันก็ต้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์อย่างของพุทธเจ้าจึงจะรู้เรื่องรูปธปาตุนามธาตุหรืออรูปธาตุคือธาตุที่ไม่มีรูปและเป็นแต่เพียงนามหรือเรื่องทางจิตทางเจตสิกทางจิตใจที่ว่ามาถึงแค่นี้เรารู้มาสองธาตุแล้วสิ่งที่เรียกว่าความว่างนี้จะอยู่ในธาตุไหน ถ้าใครคิดว่าความว่างเป็นรูปประธาต์หรือวัตถุธาตุเพื่อนก็หัวเราะตายบางคนอาจจะคิดว่าความว่างนี้คงจะเป็นนามธาตุหรืออรูปธาตุอย่างนี้พระอริยเจ้าก็หัวเราะตายหัวเราะคนคนนั้นเพราะว่าความว่างนี้มันไม่ใช่ทั้งรูปประธาต์และทั้งอรูปธาตุมันยังมีธาตุของมันอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งไม่อยู่ในความหมายของคนธรรมดาจะพูดกันท่านเลยเรียกมันว่านิโรธาธาตุวัตถุธาตุหรือรูปธปาตุนั้นก็หมายถึงของที่เป็นวัตถุนี้อย่างหนึ่งแล้วจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรก็ตามแล้วเอารูปธปาตุนั้นหมายถึงจิตใจจิตเจตสิกหรือความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นในทางจิตทางเจตสิก นี้เรียกว่าอารูปธาตุแล้วมันจะมีธาตุชนิดไหนอีกที่มันจะไม่ซ้ํากันกับสองธาตุนี้มันก็มีได้ในทางเดียวเพียงว่าธาตุที่มันตรงกันข้ามจากสองอย่างนี้และเป็นที่ดับสิ้นหายไปหมดของสองธาตุนี้ด้วยท่านจึงเรียกมันว่านิโรธาตุบางทีก็เรียกว่านิพพานธาตุบางทีก็เรียกว่าอมตะธาตาาุ ที่เรียกว่านิโรธาธาต์หรือนิพานธาตุนั้นล้วนแต่แปลว่าดับธาตุแห่งความดับคือธาตุแห่งความดับของธาตุอื่นๆทั้งหมดหรือว่าธาตุเป็นที่ดับของธาตุอื่นๆทั้งหมดที่เรียกว่าอมตะธาตุแปลว่าธาตุที่ไม่ตายนั้นหมายความว่าธาตุอื่นๆนอกจากนี้มันตายหมดมันตายได้มันตายเป็น ส่วนนีโรธธาตุนี้ไม่เกี่ยวกับการเกิดหรือการตายแต่ว่ากลับเป็นที่ดับสิ้นของธาตุอื่นๆสุญเตาก็คือสิ่งซึ่งอยู่ในธาตุพวกนี้หรือเป็นธาตุพวกนี้จะเรียกว่าสุญเตาธาตุก็ได้เป็นธาตุอันเป็นที่ทาความว่างให้แก่ธาตุอื่นๆเพื่อความเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าธาตุชนิดที่ทำให้เข้าใจธรรมะได้แล้ว ต้องเรียนธาตุอย่างที่กล่าวมานี้อย่าไปมัวหลงเข้าใจว่ารู้จักธาตุดินธาตุน้าธาตุไฟธาตุลมเท่านั้นแล้วก็พอแล้วมันเป็นเรื่องของเด็กอมมือก่อนพุทธกาลเขาก็พูดเขาก็สอนกันอยู่มันต้องรู้ต่อไปถึงวิญญาณธาตุคือธาตุทางนามธรรมหรือวิญญาณแล้วก็อากาศธาตุแล้วก็สุญญตาธาตุกล่าวคือธาตุความว่างเข้าไปอีกทีหนึ่ง ซึ่งเป็นที่ดับหมดของดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณแล้วว่าเรามีท่าที่ประหลาดที่สุดในพุทธศาสนานี้เรียกว่าทาาแห่งความว่างหรือสุญญตาทาาดหรือนิโรธาทาาหรือนิพานาทาาหรืออมตะทาดดินน้ำลมไฟนั้นมันอยู่ในพวกรูปธปทาตทุ ส่วนจิตใจวิญญาณเจตสิกอะไรต่างๆนั้นมันอยู่ในพวกอรูปธาตุส่วนนิพพานหรือสุญญตานี้มันอยู่ในพวกนิโรธาตุท่านต้องไปนั่งหาเวลาสงบสงบนั่งดูธาตุให้ทั่วทุกธาตุแล้วเห็นชัดว่ามันมีอยู่สามธาตุอย่างนี้จริงๆก็จะเริ่มพบสุญญตาธาตุหรือนิพพานธาตุและจะเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าอนัตตาหรือสุญญตา ที่เรากำลังกล่าวนี้ได้มาขึ้นเราอาจจะวางหลักได้ว่าในตัวความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูว่าของกูนั่นแหละมันมีรูปธระทาตุและอรูปธระทาตุและในที่ว่างจะความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูว่าของกูนั่นแหละมันมีนิโรธาธาตุหรือจะกลับกันซิก็ได้ว่าถ้ามีนิโรธาธาตุเข้ามามันก็เห็นแต่ความว่าง เห็นความว่างจากตัวกูกของกูกนี้ปรากฏชัดออกมาถ้าทาดนอกนั้นเข้ามามันก็เห็นเป็นรูปเป็นนามเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นผลทพะเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรยุ่งไปหมดแล้วก็มีส่วนที่จะเกิดความยึดถือทั้งนั้นถ้าไม่ยึดถือในทางรักก็จะยึดถือในทางไม่รักคือเกลียด ความยึดถือของคนเรามีสองอารมณ์นี้เท่านั้นคือพอใจกับไม่พอใจเราเคยชินกันอยู่แต่กับสองอารมณ์นี้เท่านั้นเราสนใจกันอยู่แต่อารมณ์ที่น่ารักเพื่อจะให้ได้มาและสนใจอยู่แต่ที่จะหลบเลี่ยงอารมณ์เกลียดหรือทาลายมันเสียเรื่องมันก็วุ่นอยู่ตลอดเวลาไม่มีว่างถ้าให้ว่างจะทำอย่างไรก็คือเราอยู่เหนือ หรือว่าชนะท่าที่วุ่นเหล่านั้นมาอยู่กับท่าที่ว่างมันก็ว่างได้